พระธรรมเทศนาแผ่นที่96าลำดับที่4โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่30มีนาคม 2,559 มีชื่อเรื่องว่าฝื้นกระแสใจในกามราคะวันนี้เป็นวันที่ส0สิบ มีนาคมพุทธศักราช2 5 5พวันนี้เป็นวันพระแรมแปดค่ำเดือนสี่เป็นวันพระของพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะทศไทยญาติโยมอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวว่าถึงวันแล้วอย่าให้ได้เตือนกันให้นับวันถือว่าเป็นวันสำคัญเป็นวันสำคัญจริง ในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันสำคัญยิ่งสำหรับตัวของพวกเราทุกๆ ท, ท่านให้ที่ว่าสำคัญเป็นหน้ารู้จักหน้าที่จากหน้าที่ของตนเองสำหรับฝ่ายพระก็ เ, เหมือนกันฝ่ายพระก็ให้รู้จักหน้าที่ว่าเราบวชมาเป็นพระในพระพุทธศาสนาควรปฏิบัติตนอย่างไร แต่การบวชเข้ามาในหลักในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นการทวนกระแสอย่างสุดๆนักนณะศรัทธาญาติโยมโลูกหลานพระเนรน้องนงทั้งหลายเหมือนกับเราพาควันไฟเรียกว่าอุปสรรคอย่างร้ายแรงที่จะผ่านอุปสรรคตัวนี้ไปได้มันเป็นการอุปสรรคในจิตใจตัวนี้เราจะเป็นแบบทาแบบ ธรรมดาธรรมราหล่อแหลกนันไม่ได้ถ้าเราศึกษาในหลักธรรมคำสอนือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราแล้วนะว่าเป็นเรื่องที่หนักสำหรับปุถุชนอย่างพวกเราท่านทาั้งหลายอย่างที่หลวงพ่อเคยปาลบเรื่องพระมหากัตปะเถระก็ดี เรื่องกลุ่มมารลกัศปะก็ดีที่หลวงพ่อจะสาธกให้ลูกหลานได้ฟังเรื่องพระมหากัสปะเถระที่เป็นภาษาวกที่ได้รับเอธัตคะจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายเกี่ยวกับผู้มีทุดรงวัดออในศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ความเป็นมาของท่านเป็นยังไงท่านเป็นลูกของตระกูลพราม พรามมหาศารใกล้ๆว่าเศรษฐีกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรกษัตริย์พราหมณ์แล้วก็นี่แหละประเทศอินเดียพราหมณ์เนี่ยแปลว่าพราหมณ์มหาสารแปลว่าพราหมณ์ใหญเ่เป็นตระกูลของนั่นแหละ เ, เป็นผู้ปรโลหิ ต, ตาาอาจาร์พราหมณ์ลักษณะอย่างนั้นน่ะ แต่ท่านเกิดในตระกูลพรามในกรุงกรุงสาวัถีและกรุงราช จ, จะคือหลวงพ่อเขาไม่มั่นใจเหมือนกันพระมหากรเจปะเนี่ยแต่พอท่านเกิดมาแล้วเนี่ยพอใหญ่ขึ้นม า, าแล้วก็นางปัตกาพิลาณีแล้วก็เกิดในตระกูลพรามอีกเหมือนกันคนละตระกูลกันพอใหญ่ขึ้นมาเขาก็เลยเจัดแต่งงานาจัดให้เข้ามงคลสมรส ตระกูลต่อตระกูลเสมอกันนะแต่นี้พอพระมหกากรตปะเนี่ยแต่งงานกันแล้วเนี่ยกับนางปัตตกาปิลานีเนี่ยท่านไม่ได้อยู่แบบคารวะหรือว่าชาวโลกทั่ ว, วไปพอแต่งงานแล้วท่านก็เนี่ยนะเอาแก่แจ ก, กันดอกไม้มาขั้นกลางแล้วก็มา นอนกันคนละฝากข้างเหมือนกับเพกพาภิกษุนอนด้วยกันอันนี้คือพระมหากรตปะกับนางปัตตกาปิราณีนะ่พอต่อมาอทางพราหม์ทั้งฝ่ายพ่อทั้งฝ่ายแม่ของนางลูกฝ่ายพราหม์เนี่ยได้มรณะลงไปสองสามีภรรยาเนี่ยก็ พวกเราจะอยู่ทำไมอยู่คอยวันตายเฉยๆอยู่เป็นคราวะาเราควรจะสสแสวงหาทางพ้นทุกออมันมีอยู่คือท่านมีอุปนิสัยนะ ค, คือพระมหากัะสปะกระนางพัฒกาพิาราณีเนะี่ยเป็นคู่หัวผัวเมียกันมาในอดีตในชาตินี่เป็นผู้มุ่งมั่นต่อคุณงามความดีสมัยก่อนก่อนนะั้นเคยบวชเป็นลือสีชีภัยอยู่ในป่า สมัยเมื่อเป็นสุวรรณสามสุวรรณสามเป็นลูกชายในรพระมหากัสปะกระนางปัตตกาพิลานีเป็นฤาษีไปอยู่ในป่าอยู่ในป่าด้วยการบำเพ็ญพรต อ, อยู่ในป่าแต่ไม่มีลูกเพราะไม่ได้นั้นเมื่อเป็นคราวาก็ไม่มีลูกก็เข้าไปอยู่ในป่าเป็นฤาษีก็ต้องปร ะ, ประพฤติพรหมาจาจทร์ของใครเราแต่นี้พระอินทร์อยู่บนสวรรค์ดันแบบฤาษี ต่อไปนีท่านได้ทำกรรมที่ไม่ดีเอาไว้ท่านจะตาบอดทั้งคู่นะถขอให้ท่านดูร่วมสังวาดเหมือนกับคนทั่ ว, วไปท่านจะมีลูกและให้ลูกของท่านจะได้เลี้ยงท่านต่อทางฤาษีบโอยใหม่แทางรื อ, อ, องฤาษีฝ่ายผู้หญิงโอยใหม่ตายก็ยอมตายข้าพระเจ้าจะไม่ร่วมสังวาสอย่างนั้นไม่มีเลยในจิตใจ ทั้งพระอินทร์ก็บอกว่าเอาเถอะท่านฤาษีทั้งสองฝ่ายผมขอแนะนำให้ท่านเอามือถ้าหากว่าฝ่ายผู้หญิงเนี่ยมอีอะไรรอบเดือนมาแล้วก็ให้ท่านเอามือลูบท้องของฝ่ายหญิงแล้วก็จะตั้งขันเออขนาดนั้นพอขนาดนั้นปฏิบัติได้ท่านก็เลยทำปฏิบัติจน ต่อมาท่านก็เลยตั้งขันจึงได้ประสูหรัตเกิดออกมาคลอดออกมาก็คือสุวรรณสามที่นายพลานไปยิงไปล่าเนื้อไปยิงเข้ายิงสุวรรณสามที่พ่อแม่ตาบอดอันนี้ก็คือพระมหากัส ป, ปะเทระกับนางพัตกาพิลาเนนะ่คือเป็นพระฤาษีสมัยนั้นที่เป็นพ่อแม่ของสุวรรณสาม แต่พวกเราได้ศึกษาในทศชาติของมาในพระไตรปิฎกนะตอนี่มาถึงชาตินี้เนี่ยท่านก็มาเกิดท่านโคร ม, มาจากพรหมนะคำว่าพรหมความคำนี้นะ่ผู้ที่ภาวนาภาวนาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนะี่ยบำเพ็ญภาวน า, าจนเป็นสมาธิจิตใจนิ่งแน่วแน่วนิ่งไมไ่คิดไปทางอื่น พอตายจากในการที่เป็นนักพรตนักปว่ที่ภาวนาเนี่ยจะขึ้นไปเกิดเป็นพรหมนะจะเกิดเป็นพรหมพอพรหมเนี่ยไม่ได้กินอาหารเหมือนกับเทวดาเทวดาเนี่ยคือรูปเสียงกลิ่นกินรสสัมผัสเทวดาอาหารของเทวดาเนี่ยคือกินกลิ่นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นที่เป็นเทพละเอียดกว่าแต่มนุษย์เนี่ยแปลว่ารูปเสียงกลิ่นรส ที่สัมผัสด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกด้วยดินด้วยกายอันนี้ว่าอาหารของมนุษย์แต่ของของเทวดาเนี่ยเป็นของทิพย์แต่พรหมท่านสเสวยความสุขด้วยปีติสุขเอกคตานะ่ยอันนี้คืคือเป็นอาหารของพรหมปีติคือความอิ่มใจสุขก็คือความสุขเกิดในฌานของท่านเอกคตาคือคือความวางวางใจเป็นกลาง ไม่ยึดมั่นถือมั่นทําใจเป็นกลางๆเน่งเน่งเป็นอาหารเป็นที่อยู่ของพรหมแต่ถ้าท่านถ้านพรหมท่านลงมาเกิดพอมาเกิดท่านก็ยังยังมีการทรงฌานของท่านอยู่นางพ่อมหากัตน์ป่าเนี่ยปิดิปิดพิบิดขู่เดี๋ยวนี้ท่านของบวชเข้ามาท่านก็อยู่ด้วยกันพอพ่ อ, พอแม่ตายแล้วก็ท่านก็เลยว่าเราจะอยู่ทําไมมาอยู่คอยวันตาย ไปหาบวชไปหาแสวงหาคุณงามความดีภายนอกดีกว่าจากนั้นท่านก็มอบสมบัติให้กับตระกูลของท่านสองสวนผัวเมียก็ออกอแบบเป็นทำตัวเป็นลือสีชีพัยเป็นดาบดไปเลยละว่างนทอพอจิตใจบา ร, รมีของท่านแก่กล้าแล้วเนี่ยพราะท่านเดินไปไปเจอไปพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะแสดงธรรมให้ฟัง พอจะแดงฟังให้ทําเกิดความเคารพนับถือเรื่อมใสทั้งสองฝ่ายจากนั้นพระโุกธอบอกเนี่ยพระามาหากัจจปะบวชเป็นพระจ้ะนางปัตตกาลปิลาเนียงนะ่ยไปบวชเป็นภิกษุณีเออเป็นภิกษุณีในอีกกรมหนึ่งก็เลยแยกแยกทางกันนางภิกษุณีก็เลยไปบวชเป็นภิกษุณีพระมาหากัจจปะก็มาบวชทั้งฝ่ายพระบวชไม่นานทั้งสองฝ่ายท่านมีบุญวาสนาบารมีเต็มเปี่ยมอยู่แล้ว ท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งทั้งทั้งโค่นะ่ะนี่แหละอันนี้คือความเป็นมาของพระมหากัส ป, ปะจากนั้นก็ท่านได้รับเอธะเอธะตคะหรือเลิอด ก, ก่าภิกษุทั้งหลายเป็นผู้ถือธุดงแต่นางปัตกาปิลานีก็ได้รับเอธทตะคะทางไฟภิกษุณีมันกลายเป็นหลวงพ่อจําไม่ได้ตนนัวนี้นี่แหละอันนี้ก็คือความเป็นมาของพระสาวกนะแปลว่าท่านทวนกระแสจริงๆนะ ก่อนที่จะออกบวชได้เนะี่ยต้องทบทวนต้องมีบุญวาสนาบา ร, รมีเก่าที่จะเสียสละจึงจะเห็นโทษได้เพราะโลกอันนี้มันมันเห็นโทษได้ยากเรื่องกิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรดหลงนะ่ยมันไม่ใช่ของง่ายๆแต่ได้มาพูดถึงพระ ก, กุมารกัสสปะเนี่ยที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่าพระ ก, กุมารกัสสปะคือมีเศรษฐี อยู่ในกรุงสาวัถีอแต่งานในตระกูลเศรษฐีแม่ของท่าน่ะพอแต่งงานแล้วเอแต่อยากจะบวชออยากจะบวชเอเป็นภิกษณุณีจะเข้าไปลาสามีหลายครั้งต่อหลายหนสามีคืออนุญาตให้บวชแล้วก็เลยออกมาบวชพอมาบวชแล้วไม่นานท่านนางก็มีท้องขึ้นมาทออแต่ตามไม่จริงเออมีท้องขึ้นมาที่ที่ ท่านก็เป็นไปฝ่ายลูกศิษย์ของพระเทวทัตคือเป็นสำนักแต่ละสำนักอย่างนั้นละ่ะสำนักพระพุทธเจา้าสำนักสารีบุตรสำนักโมกคลาสำนักพระเทวทัตแต่ละสำนักลักสันนิษฐานแต่นี่ไอ้ภิกษุณีแล้วไปบวชในสำนักของพระเทวทัตพอบวชก็มาแล้วนางก็มีท้องขึ้นมาพระเทวทัตอา้าวเป็นภิกษณุณีมีท้องได้ยังไงไปทําอะไรมาเนี่ยได้ไปไปไปล่จับจับซึก นางก็บอกว่าตั้งแต่เขาบวชเข้ามาแล้วเขาไม่มีอะไรเลยกับใครเลยทีนี้ก็นางก็เข้ามากราบตั้งฝ่ายพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าก็ให้พระอุบาลีผู้เป็นผู้แน่ทางกฎหมายกฎกติกาสงฆ์พระอุบาลีนะถ้ามีเรื่องอธิกรณ์อะไรเกิดขึ้น่ะพระองค์จะให้พระอุบาลีเป็นผู้วินิจฉัยคดีความ ผู้ได้รับเอธะทะฆะจากพระพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ถือกฎระเบียบผู้วิจิตรใช้คดีความเนี่ยไม่มีองค์ไหนเหนือกว่าพระอุบาลีท่านนีพระอุบาลีก็เรียกเชิญพระเจ้าปเสนมานางวิสาขามาผู้ใหญ่มาทั้งเป็นสกีพยานแล้วก็ซักไซไล่เหลียงถามพระมหาพระอุบาลีเนี่ยก็ท่านก็นั่งฟังแลคล้ายๆว่าเป็นพิพากษาลักษณะอย่างนั้นะ เขาถามไทยให้ฟังทุกคนฟังดูนางนี้ไม่รู้ว่าตัวเองตั้งรันพอเข้ามาบวชก็เลยได้บวชเลยโดยที่ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไม่ได้ได้คิดไว้ก่อนไม่แต่อยากจะบวชอย่างเดียวพอบวชเข้ามาแล้วจึงง ม, มีท้องทีหลังรู้จากว่าตัวเองมีท้องนะ พระธงมากราบทูลพระพุทธยาพุทธยาวเอออันนี้เป็นต้นบัรยัติไม่เป็นไรตั้งแต่บัดนี้ไปถ้าว่าผู้ใดจะเข้ามาบวชต้องเป็นศิกขมานาสองปีซก่อนนะจึงบวชเป็นภิกษุได้ให้ไว้ตรวจสอบซะก่อนสองปีมั่นใจซะก่อนจึงบวชว่าเป็นภิกษุนี้ได้สมณเณรลนะีคืออายุยังไม่ครบ20่สิบนะเป็นว่าสมณเณรลีสิกขมานานะเนี่ยแปลว่า บวชครบแล้วแต่ต้องตรวจสอบอีกสองปีจึงบวชเป็นภิกษุณีได้นะว่าสิกขามานานะแต่นี้พอนางก็ตั้งกัรขึ้นมาพอครอบลอดนะลูกนางก็คลอดบุตรพอคลอดลูกออกมาเป็นลูกชายนะพระเจ้าปเสนที่โกรธสนพวกทายกทายิ ก, กาทั้งหลายไปวัดป่าเชิดไปวัดกระผาน วัดพิกษุณีไปก็ได้ยินเสียงเด็กร้องให้นะเออมันก็เด็กร้องให้ผ่านสำนักพิกษุณีไปพระ พ, ระ เ, จพระเจ้าพระเจ้าเปรียญก็บอกเออเอาถ้าหาว่านางคลอดบุตรเมื่อไรกับผมข้าพระเจ้าจะนําไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมแต่นาะงพระเจ้าเปรียญก็เลยนําเด็กตัว น, น้อยเนะ่ยเกิดใหมนะ่ๆเอาไปเลี้ยงไว้ในเวียงวัง ดูแลรักษาอย่างดีให้การศึกษาจนพระ ก, กุมารกัสป่าอายุได้เจปีพอเจ็ดปีนะัก็ท่านก็มีอุปนิสัยอยู่แล้วพอรู้เรียงสาภาวะนะั่นท่านก็อยากจบนะบวชเลยเพราะอยากจะบวชท่านะก็เลยไปมอบให้พับสาริบุตรนะเป็น เ, เป็นอาจารยนะ์ท่านก็เลยบวชเป็นสมณเนรแต่มาโทษเกี่ยวกับแม่ของภักขุมารกัสป่า ตั้งแต่ได้ลูกออกมาก็รักเพราะเลือดเนื้อเชื้อไขของตนเองเหมือนแม่รักลูกทุกคนน่นแะแต่ทีนี้พอพระเจ้าปเสนเอาไปเอาไปเลี้ยงน่ะเพราะมันไม่ใช่วิสัยที่จะวอกพิกจูนีจะเลี้ยงลูกใช่ไหมมันดูไม่ดีออพระเจ้าปเสนเอาไปแต่ว่าความเอาลูกภาคออกจากแม่นะนะั่นแหละออกไปนะตั้งแต่ลูกออกไปจากแม่แล้ว น้ำตาของแม่เนี่ยไม่เคยขาดหน้าเลยแต่ละวันนะความความรักลูกของแม่รักลูกนอะน้ําตาอาบหน้าอยู่ตลอดไม่เคยขาดนะท่านพูดในพระไตรปิฎกนะคงจะรักอย่างมากๆนะลูกชายผลในสุดอพระเจ้าเปเสนกิดเลี้ยงก็คงจะไม่ไม่พาลูกมาหาเลยหนระือมั้งคงจะไม่รู้เลยลนะ่ะ เออต่อมาได้บวชอ่าสมณเณเนีย่ยก็ได้บวชเป็นสมณเนนกุ ม, มารกัตถะนะพอบวชสรแล้วท่านกับเนเป็นสมณเท่านกับบําเพ็ญของท่านได้สําเร็จเป็นพระหรหันต์เพราะได้สาเร็จเป็นพระหรหันต์แล้วก็ท่านก็บวชต่อมาอายุครบพระท่านก็บวชเป็นพร ะ, ะแต่นางภิกษุณีคนนี้น่ยก็ทราบข่าวมาตลอดฟังอยู่ตลอดเพราะความรักแต่ใครก็ไม่รู้คนทั้งหลายก็ไม่รู้ว่านาง พอให้ไปแล้วก็คงจะแล้วไปนะนะั่นแะแต่ความในใจของนางไม่มันมันมันตัดไม่ขาดสิความรักลูกในคำานี้นะ่ะมันตัดไม่ขาดเนะีในใจของนางแปลว่าเยตารู้อีแต่ละวันเนะี่ยอย่าว่าน้าน้ำตาไม่เคยขาดขาดขา ด, ขาดตาเลยว่างั้นน้ำหลังนะ่งพอคิดคือมากับน้าตาไหลทุกครั้งเลยคิดถึงลูกนะต่นนี้พอบวชเข้ามาเนย จะทราบข่าวว่ากุมารกัจปะบวชแล้วนางก็พยายามมองหาดูลูกตนเองแต่วันหนึ่งฮะวันหนึ่งพระมหาพระกุมารกัจปะก็ไปบินทบาตในกรุงสาวัตถีพอนางภิกษุนีที่เป็นแม่แล้วก็บินทบาตอยู่ในซอยเดียวกันพอไปก็ไปเจอไปเจอกันในกลางซอยทางแคบๆนะแม่ก็เลยถามว่าพระคุณท่าน ท่านใช่ไหมที่เป็นชื่อว่ากุ ม, มารละกัจจะปะนะทางลูกชายใชย่อาตมาภาพชื่อว่ากุ ม, มารละกัจสปะนะทางแม่ก็บอกว่าเนี่ยแม่เองนะเป็นแม่ของท่านนะท่านลูกนะ้าแม่ในคิดถึงลูกอยู่ตลอดเวลาเลยเออพอว่าเท่านั้นแม่ก็เลยหมดคล้ายๆกับหมดความรู้สึกที่ว่าความแม่แม่รักลูกนะก็เลยโถมเข้าไป บาดน่ยก็จุยเลยเหมืนกันเถ อ, เ, อเพื่อจะเข้าไปกอดลูกชายอาลูกชายถอยหลังโกดเถอท่านเป็นพระหันใช่ไหอท่านไม่มีเยื่อใยอะไรทั้งหมดท่านก็ถอยหลังโกดไม่ให้แม่กอดอแม่ท่านก็งงอีกเหมือนกันอลูกชายก็สอนแม่อีกต่างหากเถีะนอ่ลูกชายบอกว่าคุณแม่ บวชมาถึงยี่สิบกว่าปีขนาดนี้แม้แต่ความรักยังตัดไม่ขาดอยู่หรอกฟังเอาสิพวกเราลูกหลานคณะจตหายาติโจมนะโอ้โหคำนี้รู้สึกมันเออแต่เป็นคําแข็งแต่ว่าเป็นคําอ่อนแต่เป็นคําที่น่าคิดมันอยู่ในอยู่ในนั้นหมดเลยนะคุณแม่บวชมาถึงยี่สกว่าปีถึงขนาดเพราะท่านบวชเกิดมาก็ยี่สิบ ได้บวชเป็นพระใช่ไหมล่ะั้งยี่สิบกว่าปีแล้วเนี่ยคุณแม่บวชมาถึงยี่สิบกว่าปีขนาดนี้แล้วขนาดนี้แล้วแม้แต่ความรักยังตัดไม่ขาดยุเหลื อ, อ, อทางผู้แม่ได้ยินก็นถอยหลังกูดเลยทีนี้โอ้โหเราอดสารักโลกมาตั้งนมนานนานแสนนานแต่พอมามาเจอคำนี้เข้านะ่โอ้โหสะอึกเลยว่างั้นเล ออจากนั้นนางก็กลับจิตกลับใจโหจะไปห่วงหาอะไรอะไร เ, ออเกิดมาแล้วก็เกิดมาจากนั้นก็ต่างคนต่างเกิดต่างคนก็ต่างตายจะมีอะไรนางก็เลยหมุนกลับมาหาตัวเองมองตนเองถึงนางก็บรเพ็ญพจน์ออทางจิตภาวนาปล่อยวางทางด้านจิตใจนางก็ได้สำเร็จเป็นพระหันอิมพันกันนางภิษุนีนี่นะนี่แหละอันนี้ก็คือความ ถ้าสรุปแล้วอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่าการที่จะตัดกิเลสราคะราคะโทสะโมหะโลภโกรธหลงคำนี้ออกจากจิตใจนี่มันไม่ใช่ธรรมดาเพราะนั้นให้พวกพระเนนลูกหลานจัดทา ย, ยาจโจมทุกหมเหล่าให้ฟังเอาไว้หลักของพุทธศาสนานี่ไม่ใช่ธรรมดานะเป็นเรื่องตัดทวนกระแสทางด้านจิตใจเพราะนั้นพวกเราผู้ใดก็ตามท่านผู้ใดก็ตาม ที่เป็นพระบวชในพระพุทธศาสนาเป็นผู้มีความมุ่งมั่นในอัตในธรรมในศีลในธรรมพวกครวญญาติโยมอย่างพวกเราท่านทั้งหลายจึงได้กราบพระเพราะว่ากราบนะกราบความรู้สึกจุดนั้นแหละออท่านได้ตั ด, ดกิเลสราคะโทสะโลภโกรหลงออกจิตใจได้ถึงท่านจะตัดยังไม่ได้แต่ก็ท่านพยายามจะตัดกิ เ, ออเลสจุดนั้นข้าไปเจ้า เป็นครวัตญาดโจมไม่สามารถที่จะทำได้อย่างท่านเพราะนั้นข้าพระเจ้าจึงของกล่าบคารวะอยอมอในการบำเพ็ญของพวกท่านนี่แหละสำหรับฝ่ายพระเองก็เหมือนกันทีนี่ไม่ใช่ว่าฝ่ายพระอย่างพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราทั้งหลายก็มองตอนเองอีกในการบำเพญ็ญศีลสมาธิปัญญาของเราเนี่ยที่เราได้บวชเข้ามาในบาเพ็ญนี่ ประพฤติตนอย่างนีนะ้อย่างที่เราประพฤตินี่ถ้าเราถ้าเราจะกราบเราเนี่ยเราจะกราบได้ไหมกราบลงไหมที่การประพฤติของเราการเป็นอยู่ของเราอย่างนี้นะถ้าเราคิดว่าอื้อเราประพฤติพรหมจรรย์ของเราสินสมาธิปัญญาของเราประกอบคุณงามความดีของเราถ้าเป็นพระอย่างเราเรากาบเราลงเรากาบได้สนิทใจเลยนี่แหละ อันนี้คืให้พวกเราท่านทั้งหลายถ้าคิดได้อย่างนั้นไปว่าเรากราบเราลงผู้อื่นก็กราบเราได้แต่ถ้าว่าตัวเองจะทำความชั่วเสียหายยังไม่สำนึกตัวเองว่าข้าพเจ้าทำผิดข้าพเจ้าทำก็ เ, เห็นไม่ผิดที่ตรงไหนเพราะข้าพเจ้าทาแต่ลืมคิดว่ายูนิฟอร์มตัวเนี้ยูนิฟอร์มคืออะไร เ, เรื่องนักพรตนักวนเป็นยูนิฟอร์มของพระพุทธเจ้า ควรทำตนอย่างไรอันนี้ทําไมพวกเราไม่คิดวะเราทำอยู่ในฟอร์มให้เสียหายแต่ในเมื่อเราเป็นตํารวจ เ, เราก็ทําให้ยูนิฟอร์มตํารวจเสียหายและจะทํำยังไงเอา้าคนอื่นเขายังทําได้แต่ข้าพเจ้าทําไม่ได้หรอกปฏิบัติต่อหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วก็ทําตนไม่ดีอย่างเนี้อ อ, อย่างคนที่ไปกินเหล้าใช่ไหมละ่ะถ้าเขากินเหล้าอยู่ในบ้านเขาอยู่ตามลําพังเ อ, อ ก็ไม่มีอะไรพรากินเหล้าแต่ตัวเองกินเหล้านำะมาอารวาสแต่อยู่ในฟอร์มนี้นะแหละถ้าเป็นพระก็เหมือนกันเป็นข้าราชการทุกหน่วยเหล้าก็เหมือนกันเราต้องดูใช่าเราอยู่ในอยู่ในฟอร์มนี้เราควรปฏิบัติตนอย่างไรนี้ก็เหมือนกันเราเป็นพระในพระพุทธศาสนาเราควรปฏิบัติตนอย่างไรเนี่ยอันนี้แหละค้าว่าพวกเรารู้จักหน้าที่และกับการปฏิบัติตนแล้วเราอยู่ในสถานที่ใด ร่มเย็นเป็นจุกนะเป็นที่ยอมรับของพุทธบริษัทแต่พวกเราทาตนไม่ดีเสียหายนะแต่ถ้าหาว่าตัวเองทาตนไม่ดีปฏิบัติตนไม่ได้ทำไม่ได้เราจะอยู่ทาไมใครขอร้องให้ท่านอยู่ไม่มีใครขอร้องให้ท่านอยู่นะท่านจะอยู่ทำไมอยู่ให้หนักหนักนักศาสนาเราไม่ใช่สากกยะบุตรเสียแล้วเราไม่ใช่บุตรของพระพุทธเจ้าเสียแล้วนะเพราะนั้นขอให้พวกเรานะ หลวงพ่อได้ยินาตามเรื่องต่างๆตํำที่เขาลงในสื่อต่างๆแล้วก็มีศรัทธาญาติโยมมาพูดให้ฟังอพอหลวงพ่อเป็นพระสาธารณะอย่างที่ว่านศรัทธาญาติโยมก็มาเกี่ยวข้องมาพูดเรื่องนั้นเรื่องนีนเงนน้เรื่องพระเรื่องสององค์เจ้าหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อืแต่ไม่รู้จะพูดยังไงจะตำหนิก่อมจะทำยังไงมันโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้แต่ทุกหน่วยทุกหมู่ทุกเรามันก็ต้องมีล่ะ คนชั่วมันต้องมีขราชการทุกหน่วยครูชั่วก็มีตำรวจชั่วก็มีพิพากษาอายการชั่วก็มีขราชการทุกหน่วยทุกเรามีคนชั่วอยู่นั่นมีพระจะไม่ให้ชั่วได้ยังไงพระเข้ามาจากเอาพี่น้องประชาชนแต่สีแตษาตามัมเมตมาเข้ามาบวชพอบวชเข้ามาแหละเป็นพระหันทันทีพระหันทันทีก็คงจะไม่ชั่วล่ะอันนี้พวกที่จับจ้อง บางทีจับจ้องที่จะจับเรื่องของพระเอามาวิจารณ์แต่ทำไมไม่จับจ้องหัวใจของตนเองบ้างตัวเองคิดอะไรบ้างแต่ละวีแต่ละวันคิดดีตลอดอย่างนั้นใช่ไหมใจดวงนั้นใจที่จับจ้องคนอื่นนะหรือสารเลวซะก่อนจะมาหาจับจ้องคนอื่นจแต่รวยมากมันเะเ๋วเลวซะก่อนนะมันจะค่อยไปหาจับจ้องคนอื่นแต่ตามไม่จริงการจับจ้องเราก็ไม่ว่าถ้าพูดตามสินตามธรรมนะ แต่พูดเห็นความชั่วคนอื่นเรามาประจานทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ความคิดของตัวเองไม่ออกมาประจานเลยมันไม่น่าจะถูกนะหลวงพ่อว่านะอย่างรัฐธรรมนูญกำลังออกมาในี่ก็เหมือนกันกำลังพูดกันแต่หลวงพ่อบอกว่าถ้าหากว่ากฎรัฐธรรมนูญถ้าเป็นธรรมนะคนโดยมากอาธรรมอาธรรมจะไม่ชอบธรรมนะ กันอะไรเป็นหลักธรรมเลยอ่ะทำจะไม่ชอบให้ค่ายบอกความชั่วคนชั่วนั้นไม่ชอบความดีลักษณะอย่างนั้นแหละเออถ้าเป็นคนชั่วแล้วไม่ชอบความดีถ้าเป็นอะไรเป็นความดีนะนั่นแหะถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่มันไม่ดีแล้วน่นแหะชอบเหมือนกับคนขี้เหล้าชอบขี้เหล้าลักษณะอย่างนั้นล่ะคนการพนันชอบการพนันอย่างนั้นล่ะคนเร็วก็ชอบคนเร็วกันนะอถ้าคนเร็วเน่ยจะไม่ชอบคนดีนะแต่คนดีจะไม่ชอบคนเร็วนะมันเป็นอย่างนั้นล่ะ นกฎหมายกัลักษณะอย่างนั้นแหละหลวงพ่อว่านะแต่หลวงพ่อก็ยังไม่ได้เห็นไม่รู้หรอกมันเป็นยังไงแต่แต่ว่าถึงยังไงก็ตามให้เป็นธรรมไว้แหะดีที่สุดนะเอให้เป็นธรรมให้เป็นธรรมเอเหมือนกับหลักพระพุทธศาสนาเนะี่ยหรือเหมือนพระวินัยของพระพุทธเจ้าท่านตั้งไว้มาตั้ง2องพัน้าอห้าสิบเกปีแล้วนะเนออี่ยถ้าใครผิดก็คือผิดจะทํำยังไงมันผิดถ้ามันถูกแล้วจะผิดได้ยังไง ถ้ามันผิดแล้วจะถูกได้ยังไงเนี่ยแหละอันนี้ก็คือส่วนหอนอการนั้นนะลูกหลานนะที่หลวงพ่อพูดให้เป็นแนวความคิดให้ลูกหลานได้ฟังได้ศึกษานะเราเกิดมาในโลกนี้เราจะไปถือจุดใดจุดหนึ่งมุมใดมุมหนึ่งปักจมปลักอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งเราต้องมองมองดูอย่างที่หลวงพ่อให้พวกลูกหลานมองถ้าลูกหลานมองไปในทางที่ดีในทางที่ถูกต้องในทางที่เป็นธรรม ยึดหลักเหตุผลคืออยากลักธรรมรักธรรมคือหลักเหตุผล อ, อถ้าเรายึดยึดหลักเหตุผลนั้นมปแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะลูกหลานถ้ายึดกิเลสนี่ยมิตรถลําถลําลงไปต่ำๆเรื่อยๆกนะิเลสมันไม่จะพาไปทางสูงหรอกกิเลสกิเลสราค่าโทสะโมหะนะถ้ายึดธรรมเราเป็นไปสู่ทางเจริญนะอับผ่อในทนีนีนะ